พู้ท่วสวัสดีนะคะท่านฝั่งที่ครบรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงศงในรายการค่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะนี่ล่วงมาเดือนมีนาคมแล้วเป็นเดือนที่เดี๋ยวทางท่านภัยบูลก็จะนําผู้ปฏิบัติจํานวนร้อยกว่าคนเกือบสองอยเนี่ย น, นะคะไปที่สังเวชนียสถานในปานอินเดียกันดิฉันร่วมไปด้วยระหว่างวันที่สิบสองถึงที่สิบเก ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะไม่ได้ไปมานานแล้วเดี๋ยวไปกราบนมัส ก, การท่านเพบูลก่อนเผื่อท่านจะเล่าอะไรให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าบนมัส ก, การคัะท่านคะเชิญพรก่อนที่เราจะมาฟังธรรมเราก็มาทําการปฏิบัติโดยการตั้งสติกันขึ้นสัหน่อยหนึ่งพระพุทธบอกว่าบุคคลที่มีสติและเข้าสู่เซนาสนะอันสงัดแล้วนารงสติไว้เฉพาะหน้าสตินั้นคือการระลึกได้คือการที่เรามาระลึกถึงสิ่งที่กระทํา จำคำที่พูดแล้วแม้นานได้การที่จิตระลึกได้นั้นก็คือไม่ให้จิตนั้นมันไหลไปในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเรื่องที่มันไม่ดีต่างๆอย่าให้มันไหลไปในทางนั้นแต่ให้มันมาทางที่จะตั้งอยู่ได้ให้มาตั้งไว้ในสิ่งที่ดีๆอย่างการที่เรามาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าของเราแต่บุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีมหาปุริสสาลักษณะสามประการ บุคคลที่มีความเมตตากรุณาดุดพวงมหานพมีศีลชนิดที่เป็นรรยะมีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นมีปัญญาชนิดที่แหลมคมมีความรู้ความสามารถในการที่จะบอกสอนบุคคลต่างๆเป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้มีจิตใจแน่วแน่ดังปูปาหินบุคคลที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยเราบรารบบุคคลนี้ตั้งจิตระลึกถึงท่าน เชมนาเราจะไปที่ที่ท่านเคยกินที่ที่ท่านเคยอยู่ที่เด่นเคยนั่งเคยนอนนะจิตที่ไปอย่างนี้คือเป็นจิตที่ดําเนินไปตรงเพราะว่าบราลบการที่มีตัวท่านอยู่คือพระพุทธเจ้าในการที่เรามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้แต่ไม่ว่าจะด้วยการที่ตั้งจิตเอาไว้นั่นคือการเจริญพุทธานุสติการเจริญพุทธานุสตินั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้บทเพียญชนะตรงที่ว่าให้เป็นผู้ที่ดารงสติไว้เฉพาะหน้าเหมือนกัน เพรานั้นเวลาที่เรามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาตั้งสติไว้แลนะโดยการใช้ประเวณด้านหน้าของเรานะที่เป็นทางเข้าทางออกของลงมหายใจนี้ก็ได้นะมาระลึกถึงคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งของท่านเวลาที่เราทําอย่างนี้แล้วจิตของเราจะไม่ได้ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลรเรรมืม่อทีความคิดนึกบางอย่างที่มันผ่านมาผ่านไปนะความคิดนึกอันนั้นมันจะไม่ได้ทําให้เรามามีความสุขมีความทุกข์เกลือนกลัว ไปตามความสุขที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความขยักขแยังขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะด้วยความที่เราสติตั้งอยู่สติที่ตั้งอยู่แบบนี้จะทําให้มีกายสงบระงับมีกายไม่กระวนกระบายพอมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายแล้วจิตก็ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้สามารถที่จะเห็นความจริงในผาสสะต่างๆที่มากระทบได้ขณะขณะนี้ทตะบูฟังมาตั้งสติขึ้นเราได้ยินเสียงใดๆ เป็นเสียงของข้าพเจ้าเองก็ตามเป็นเสียงของต้นไม้กิ่งไม้หรือข้างบ้านที่เขามีเสียงอะไรกันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยหรือมีสัมผัส่างกายเนี่ยมีสัมผัสต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งนี้เห็นด้วยความเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเสียงนั้นความรู้สึกนั้นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเองไม่ได้เดี่ยว ๆ, ๆ, ๆียวโดดแต่เป็นสิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น ลักษณะนี้คือความที่มันเป็นอ น, นัตตาความที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเราไม่ควรจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราแล้วสิ่งนั้นเราก็ละมันเสียวางมันเสียการละการวางนั้นคือการไม่ไปใส่ใจในมัน ไม่ไปเอาใจใส่เอาไว้ไม่เอาใจไปตริตรึกเอาไว้แต่ให้ใจนั้นการตริตรึกนั้นมาตั้งอยู่กับสติมาตั้งอยู่กับความที่เป็นนามเดียวบุคคลที่มีการจับในลักษณะนี้มีการยึดในลักษณะนี้จิตของเขานั้นก็จะวางสิ่งที่เป็นเครื่องข้องเครื่องกองังวลนั้นมาถือตั้งวั่นไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นมครคนั่นเองสิ่งที่ตั้งจิตเอาไว้ให้อยู่ได้คือมครคมีองค์แดพระพุทธเจ้าเรียบเหมือนกับ ส่วนเรรองก้นหม้อที่จะตั้งหม้อไว้ให้มันตั้งอยู่ได้จิตของราที่มีมักแปดตั้งไว้อยู่อย่างนี้จะไม่ได้ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ก็เรียกว่าอยู่เหนือเหนือจากโลกและโลกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจโลกที่เรารับรู้เรื่องทางโลกได้เรื่องภายนอกได้ก็ผ่านมาทาง6กทางนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้จิตที่มีส ต, ติตั้งไว้อยู่อย่างดีนี้เหนือโลกได้เหนือโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าหลุดโลก แต่ว่าเนือจากการควบคุมของโลกเนือจากผัสสะต่างๆที่มากระทบเหนือในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่เหนือในที่นี้คือเนือจากกวนควบคุมในมันสิ่งนั้นถ้าบอกว่ามันจะดึงเราให้ไปลุ่มหลงถ้าเป็นที่ต่างความชอบใจเราเหนือจากมันละสิ่งนั้นถ้ามันจะทําให้เราขยะกขยงเกลียดชังเราเหนือจากมันละเหนือในที่นี้ก็อาจจะยังรู้สึกอยู่อาจจะยังรับรู้สิ่งต่างๆได้อยู่รับรู้เวทนา ความเจ็บบ้างเสียงบ้างหรือภาษาใดใดบ้างรับรู้ได้แต่อยู่เหนือลักษณะการเหนือตรงนี้คือโลกุตระนั่นคือเหนือจากการควบคุมของโลกเราอยู่ในโลกก็จริงแต่ให้เหนือโลกมีสิ่งต่างต่างได้ผ่านมาก็จริงแต่ให้อยู่เหนือภัตตาจากสิ่งนั้น น, นและบุคคลที่เป็นอย่างนี้คือมีธรรมะในใจแน่นอนฟังตามไปด้วยปฏิบัติตามไปด้วยเรามีความเข้าใจอยู่เหนือโลกแล้วจะสามารถทําโลกให้มีสันติสุขได้แน่นอนเจริญปอดจะถูกค่ะ มันคิดว่าชาวพุทธปิตินะคะถ้าได้ฟังประสงค์ได้กล่าวธรรมวันนี้เป็นยุคแห่งการที่เข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารกันรอบด้านและข้อมูลนี่ก็สารพัดไปหมดนะคะส่วนใหญ่ข้อมูลถ้าไม่ใช่เป็นการนั่งฟังธรรมแบบนี้ก็ต้องใช้ปัญญากันเยอะหน่อย ว่าตรงไหนเป็นกุศลตรงไหนเป็นอกุศลเจะว่าไปนะคะดิฉันพูดอย่างนี้ไม่รู้จะถูกหรือผิดท่านช่วยให้ปัญญาด้วยคือคือบางทีมันก็จะสับสนกันอ่ะคุณยมติ๋วคือเวลาเราม า, ารับมีภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งอเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยบริการแยกแยะมันมันสับสนตรงนี้บางทีก็รับภาษาแล้วรู้สึกอย่างนี้คิดไปอย่างนี้เราจะพิจารณาไงบุงทีความเห็นกับข้อเท็่จริงเนี่ยมันเหมือนกันมาก แตความเห็นของบุคคลนั้นนะเขาก็แฝงผูกมากับข้อเท็จริงดูเหมือนกันเหมือนกันแเปะเลยอย่างเงี้ยแยกแยะบางทีก็แยกแยะไม่ออกแต่ตรงเนี้ยจึงจึงเป็นเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้านะที่ท่านที่ท่านทำแยกแยะคำว่าพักวาเนี่ยคือผู้จําแนกแจกธําคือแยกแยะออกในลักษณะการแยกแยะที่พระพุทธเจ้าแบ่งไว้ให้ชัดเจนเลยตั้่แต่การเทศในครั้งแรกเลยว่าส่วนที่เป็นธรรมที่ควรละก็มีแยกออกมา ส่วนนึงนี่คื อ, อ, ยอยแยกแยะแจกแจงนะอันนี้คือเรื่องของตันหาอันนี้ต้องเป็นธรรมที่ควรละนะส่วนที่ต้องทําให้มากมากนะต้องทรงเอาไว้ถ้าไม่มีต้องทําไม่มีเลยอันนี้คือส่วนที่เป็นมกักนะก็แยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนะส่วนที่มันบางทีมันปนๆนกันมาเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้มันถูกนะอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยส่วนเนี้ยก็มีอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นขันห้านี่นเป็นกองไอกองหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือการที่เราต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเพราะฉะนั้นเนี่ย ศาสดราของเราผู้สอนเวล่ะท่านแยกแยะแจกแจงเวล่ะเราเป็นผู้ฟังคําสอนเนี่ยก็ให้มีปฏิปทามีข้อว่าปฏิบัติตามท่านน่ะในการที่จะรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆอย่าให้มันมั่วอย่าให้มันปนกันสิ่งต่างๆที่เรารับมาทางโลกเช่นที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่ามันจะมีมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจใช่ไหมเรารับรู้สิ่งภายนอกมาเนี่ยจึงต้องมีการแยกแยะให้ออกเราจะแยกแยะได้ตรงนี้เราจึงต้องตั้งสติขึ้น แต่สตินี่จริง็เป็นตัวที่สำคัญสำคัญมากๆเลยใจป่อตั้งสติแล้วแยกแยะสาธุค่ะก็ที่จะพูดต่อจากเมื่อสักครู่คือที่ว่ามีข้อมูลเยอะเราต้องรู้จักแยกแยะมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลปนกันจะกราบเรียนถามท่านว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมคะในทางธรรมะเนี่ยว่าจะหนักไปทางฝ่ายอากุศลซะมากกว่า <laughs> สิ่งที่มาภายนอกเนี่ยสิ่งที่มาจากภายนอกเนี่ยะจะจะไม่ใช่กุศลหรืออกุศลมันจะเป็นผัสสะมันจะเป็นผัสสะคือเหมือนกับว่าความรู้ของคนใดคนหนึ่งเช่นเราไปเรียนวิชาทําการเกษตรทําการเกษตรอย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคุณไปเรียนปลูกเมล่อนหรือปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะคุณเวลาคุณไปเรียนเนี่ยคนที่เขาสอนเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหมีความรู้ความชํานาญเพราะเขาทํามาแล้วใช่ไหมปลูกได้ขายได้แล้วการสอนของเขาเนี่ย สอนปบความรู้ของเขาตรงนั้นเนี่ยถ้าจะพูดในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นญาณละเป็นญาณของเขาเป็นญาณนะคือความที่เขาทําจริงรู้จริงจนกระทั่งไม่ใช่แค่ว่าฝึกทํำเฉยๆเป็นมือสมัครเล่นไม่ใช่นี่เป็นโปรเฟชชั่นอลละคือเป็นญาณเกิดขึ้นละญาณที่เขามาบอกเราต่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นญาณของเราไงมันเป็นมันกลายเป็นแค่อินพุตของเราเฉยๆเป็นข้อมูลดิบเป็นข้อมูลดิบนะพอมันเป็นข้อมูลดิบมันก็จะผ่านมาทางผัสสะตาหูจมูกลิงไก่ ตีนี้จะให้มาเป็นความรู้ของเราเป็นญาณของเราเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกทําให้มากๆฝึกทําให้มากๆการฝึกการทํำ บ, บ่อยๆตรงนี้ก <c oughs> ็จะทําให้เป็นญาณของเราได้ตรงนี้ก็คือข้อมูลที่เวลาที่เรามีเรื่องที่เรามากระทบอย่างเช่นคนด่ากันหรือว่าเรื่องที่เราน่าพอใจหรือไม่พอใจก็ตามตรงนี้เป็นข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลทีนี้มันอยู่ที่เราว่าเราจะทํากุศลหรืออกุศลให้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ในใจของเราแต่ตรงนี้สติจึงจะเป็นตัวที่แยกแยะออก ป้องกันเอาไว้ไม่ให้สิ่งที่เป็นทุกข์ที่มากระทบเนี่ยผัสสะนะที่เป็นทุกข์ที่มากระทบเนี่ยให้เกิดอกุศลธรรมในจิตไม่ใช่ว่าอากุศลธรรมมาจากภายนอกนะคุณยมติยวเนื่อนะ <Okay. S 1> แต่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราจากการที่มากระทบของผัสสะอย่างได้อย่างหนึ่ง เ, เช่นว่าภาษาที่น่าพอใจภาษาที่น่าพอใจใช่ไหมเราก็คิดว่ามันดี เ, เช่นอาหารอะไรอะไรคนพูดยกยอสรรเสริญเพลงที่ไพเราะ พวกนี้เป็นภาษาที่น่าพอใจใช่ไหมเราก็คิดว่ามันจะดีตรงนี้คือจึงเป็นที่สับสนได้ว่าภาษาที่น่าพอใจอาจจะไม่ดีก็ได้ดีไม่ดีเอาอะไรมาวัดแต่ถ้าเราเอาความพอใจของเราบางทีเราชอบเพลงนี้ว่าดีแต่ถ้าคนที่เขาไม่ชอบเพลงนี้เขาก็ว่าไม่ดีแต่ก็จึงมีมาตรฐานที่แตกต่างกันแต่ละคนใช่ไหมงั้นเราเอาอย่างนี้เราเอามาตรฐานที่รปรัพุจาท่านให้ออกไว้คือมาตรฐานของสิ่งที่เป็นทําเป็นวินยัยเป็นกุศลเป็นอกุศลแตถ้าท่านแบ่งไว้ยังไง ถ้าภาษาอะไรที hmm. ่มากระทบแล้วเนี like ่ยทาให้อคุสุลธรรมเกิดอันนี้ไม่ดีถ้าภาษาใดที่มากระทบแล้วทำให้อกุสลธรรมเกิดมันไม่ดีนะเช่นว่าอะไรบ้างภาษาที่น่าพอใจเช่นั้นอร่อยๆยดนตรีไพเราะมากระทบในจิตของเราแล้วทําให้เกิดความกําหนัดลุ่มหลงโมลเมาเพลิดเพลินยินดีนตรงนี้เป็นอกุสุลธรรมกําหนัดลุ่มหลงโมลเมาเพลิดเพลินยินดีเนี่ยเป็นอคุสุลธรรมไม่ดีนะไม่ดีภาษาดีๆที่เราว่าดีๆเนี่ย แต่มันไม่ดีเพราะมันทําให้เกิดอากัสรธรรมในจิตของเราโอเคนะในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามถ้าภาษาที่ไม่น่าพอใจเช่นเขาด่าเราอากาศร้อนหรือว่าเสียงที่ไม่น่าพอใจนะมักกระทบตุ้มเนะี่ยมักกระทบตุ้มแล้วเราด่ากลับเราทําร้ายเขากลับนะอันนี้ทำร้ายเขากลับเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ดีการด่ากลับการทําร้ายกลับนั้นก็ไม่ดีนะภาษาที่ไม่ดีก็เกิดให้การกระทําที่ไม่ดี อันนี้คือในกรณีที่1นึนะ่ทั้งสองสองข้างในกรณีที่2ทั้งสองข้างเหมือนกันในปะระสาทที่น่าพอใจมากระทบตุม้มอาหารอร่อยดนตรีไพเราะมากระทบ ป, ปุ๊บนะเราบริโภคอย่างมีสติไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินไม่กำหนัดไม่โวเมาในสิ่งนั้นความไม่ลุ่มหลงไม่กำหนัดไม่เพลิดเพลินไม่โมเมาเนี่ยเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลธรรมหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีสติตั้งเอาไว้ไงสตินั้นเป็นกุศลธรรมแน่นอนในทางตรงข้างทางตรงข้าม ถ้าภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบเช่นเขาด่าเราเขาสบ ป, ประมาทเราแม้แต่เราเคึอเขิมขึ้นมาเราสู้ขึ้นมาเราตั้งความเพียรเอาไว้เราไม่ย่อหย่อนเราเป็นคนอดทนเราต่อสู้ไม่ท้อแท้ท้อถอยมีความสํารวมมีความขันติอยู่ในใจโอความไม่ท้อแท้ท้อถอยสํารวมขันติพวกนี้เป็นคุณธรรมที่ดีนะภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยที่เราบ้าไม่ดีเนี่ยแต่ทำให้สิ่งดีๆเป็นกุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในใจของเราดังนั้นตรงนี้เราจรึงต้อง มีการแยกแยะให้ออกอะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันปนกันมาหมดเลยอ่ะคุณยมติวเนี่ยเหอนะปนกันมาหมดทุกอย่างนดีไม่ดีอะไรมั่งต่างมากระทบจิตเราตุ้มเนี่ยเราจึงต้องมีการแยกแยะให้ออกว่า เ, าเราจะแบ่งยังไงไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจของเราแม้สิ่งที่มากระทบนั้นจะสุขหรือทุกข์ก็ตามาจะทํำยังไงให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมสิ่งดีๆเนี่ยนะเกิดขึ้นในจิตของเราแม้ภาสัที่มากระทบเนี่ยจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม นี่ยคือคูดมายืดยาวเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีอุปมาอุปไมยง่ายๆเปรียบเทียบเอาไว้ <Okay. S 1> น่ยคือเหมือนต้นไม้เหมือนต้นไม้ที่อยู่บนดินใกล้ๆ ก, ก, กันเอาต้นไม้ที่วัดป่าดอนนายโศกนี่ก็ได้ <Okay. S 1> นีมีต้นสะดากับต้นมะตูมเ <Okay. S 1> น่ยต้นสดาวกับต้นมะตูมเนี่ยอยู่ข้างๆสาราห่างกันไม่ถึง10เมตรน่ยฝนก็ฝนเดียวกันน้ําก็น้ําเดียวกันแต่ว่าทําไมฝนที่ตกลงมาแรก่ธาตุสารอาหารต่างๆ ท, ท, ท, ที่ต้นไม้ดูดขึ้นไปเนี่ย พอขึ้นไปต้นสะดาวแล้วมันออกมาเป็นความขมเป็นผลมันขมต้นสะดานะทั้งกิ่งและใบมันก็ขมแต่ในขณะที่เข้าไปต้นมะตูมนออกมาเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำกินเป็นยาได้มีรสชาติหอมหวานมีกลิ่นชื่นใจนเพราะว่าพันธุ์ที่มันต่างกันไอพันธุ์ที่ต่างกันตรงนี้แหละพันธุ์ที่ต่างกันตรงนี้แหละคือสภาวะจิตที่ต่างกันของแต่ละบุคคลคนเดียวกันอาจจะต่างขณะจิตกันมันก็เป็นคนละต้นได้เหมือนกันอะไรที่เป็นเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ มันคือมร์แปดันหนงมร์แปเป็นพันธุ์ที่ดีที่อยู่ในใจของเราอะไรที่เป็นพันธุ์ช่วที่อยู่ในใจของเราก็คือมิจฉานั่นคือมิจฉามร์ทั้ง8อย่างแต่เมื่อั้นถ้าเปรียบเหมือนก็คือว่าในใจของเราเนี่ยมีต้นไม้อยู่2ต้นนั่นคือต้นที่เป็นต้นสะดาวกับต้นประตูมน้ําน้ําที่มันจะหยดลงมารดต้น2ต้นนี้ก็คือภันธะต่างๆที่จะมาที่จะมากระทบนันหนึ่งเราจะเอาน้ําที่เปรียบเหมือนเป็นพันธะต่างๆที่มากระทบเนี่ย เอาไปรถต้นไหนในจิตของเราเอาจ้าเอาจเจ้ไปรถต้นที่มันเป็นมิจฉานะต้นเสดานะก็คุณก็ทําสิมิจฉามากักทําด่าเขา้าว่าเขากลับไปนะผัสสะดีหน้าพอใจก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวมาไปเป็นมิจฉาสังกปะไปเป็นกาลไปผัสสะต่างๆที่มาเนี่ยมันก็จะมารถต้นที่มันไม่ดีเป็นต้นเสดาแล้วนะก็จะมีความงุนงงมีความคิดไม่ออกสร้างกรรมไม่ดีมีผลเป็นความขมความเปรตร้อนความไม่อร่อย ในตานต้นข้ามน้ําที่มากระทบนะคือภาษาต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้จักแชนแนลรู้จักปรับรู้จักปรับให้มันไปลงต้นที่ดีคือต้นมะตูเป็นต้นนี้นะลงต้นที่มันดีเนี่ยมันก็จะออกหวานออกผลมาเป็นความหวานความชุ่มฉ่านั่นก็คือทอํายังไงอ่ะถ้ามีภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็อดโทนเอาเป็นสัมาวายมะมีเรื่องที่ไม่ดีมากระทบเราก็มองโลกในะแง่บวกเป็นสัมมาสังกัปปะมากระทบอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับมี ภาษาที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามมากระทบปุ๊บเราก็ปรับให้น้ําที่มันไหลเข้ามาเนี่ยไหลไปตรงต้นที่เป็นมะตูมต้นที่มีความหวานความชุ่มฉ่าก็คือปฏิบัติตามมาร์กแดนะผลที่ออกมาก็จะเป็นความหวานความชุ่มชํฉ่ำความดีงามในชีวิตของเราอันนี้ต้องแย่งแยะให้ออกใช่ไหมครับถูค่ะก็เท่ากับว่าเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปทั้งของดีและของไม่ดีแต่เราเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเลย ที่จะทำให้ผลนั้นออกมาดีหรือไม่ดีสำหรับเราถูก<ช>ไหมคะ้<ช>าริกฉันจะอธิบายแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ะทั้งนั้นก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องคือต้องทำให้ถูกตามมักแปดใช่จึงต้องมีความรู้มักแ8นั่นเองมักแ8ในที่นี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับ 1, พันธุ์พืชที่ดีตัวแม่บทที่ท่านยกเอาไว้เนี่ยคือเปรียบ 1, พันธุ์พืชที่ดีเช่นพืชพันอ้อยพืชพันองูน พืชพันธุ์ข้าวสาลีอันนี้คือพืชพันธุ์ที่ดีส่วนพืชพันธุ์ที่ไม่ดีก็คือบวบขมน้ำเต้าขมแล้วก็สะเดาวนะบวบขมน้ำเต้าขมแล้วก็สะเดาอันนี้เปรียบเทียบกับมิจฉามักนะมิจฉามักซึ่งบวบขมน้ำตาลขมแล้วก็สะเดาเนี่ยมันมีรสขมกลิ่นก็ไม่ดีแลนะบางพันธุ์นี่ก็แสบด้วยเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนะบางพันธุ์ของบวบขมเนี่ยเป็นอย่างนั้นในขณะที่ ข้าวสาลีอง้งุนพืชพันธุ์อ้อยพวกนี้มีรสหวานรสชุ่มฉ่า ม, มีกลิ่นหอมในนี้เปรียบเหมือนกับสัมมามัตยทั้ง8ดขั้นอันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ทุกคนมีอยู่แล้วในใจของตัวเอง ค, นะคือเรามีทั้งด้านมือด้านสว่างนะบางที่เรารักษาศีลได้แต่บางทีก็คิดชีดคนนั้นมันก็ยังมีด้านที่มันไม่ดีอยู่บ้างแสดงว่าไอพันธุ์ของพันธุ์ของพวกบวบขมเนี่ยมันยังมีอยู่ในใจของเราเนะี่ยอย่าไปรถตรงนั้น มันจะโตได้ต้องระวังค่ะก็คืออย่าให้ผลไม้ที่มีรสขมต้นไม้ที่มีรสขมนันเติบโตอืมอมาบำรุงในส่วนที่จะออกมาเป็นรสหวานดีกว่านี่ทำให้ได้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ในครั้งพุทธกาลด้วยนะคะเนี่ยว่าต้องมีต้นอ้อยต้นองอนุ่นต้นข้าวสาลีบวบขมน้ําเต้าขมสะดาวในยุค น, นั้นโโหเป็นต้นไม้ที่ เรียกว่าไม่ต้องไปดูในพิพิธภัณฑ์ทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ใช่ใช่อันนี้เป็นพ<ะ>ุทธพจน์ที่พระพทเจ้ายกมาคะ่ะท่านคะทีนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เข้ามาเสด็จทำจนรู้ลึกซึ้งว่าแล้วมรกแ8ดล่ะเป็นอย่างไรจะได้รถให้ถูกอะคะ่านคะพันนะพันนี่คือมรก8ดน ะ, ะแต่แต่ตัวที่จะปรับปรับให้น้ำเนี่ยมันไปทางทางนั้นไป่างต้นที่ดี หรือปรับให้น้ําไปทางต้นที่ไม่ดีอย่างตรงนี้คือสติไงคือสติ <K K> ถ้าสติเราเผลอเราเผลอสติเพิ่มเนยน้ามันก็จะไหลไปในที่ที่มันไม่ดีค <K K> ต้นนี้ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติมันก็จะปรับไปตรงที่ดีสตินี่ก็เป็นหนึ่งในมาร์กเหมือนกันนะ <K K> มาร์กแปดคืออะไรมาร์กแดคืออะไรหนามาร์กเนี่ยแปลว่าทางทางที่มีองค์ประกอบ8ดอย่างอันประเสริฐทางนี้เป็นทางสายเดียวนะเมื่อก่อนจะมาคิดว่าเป็นทางแปดสาย <g lish> แต่จริงๆเป็นทางสายเดียวคือไม่ใช่ถนน8เลนด้วยเป็นถนนที่เลนเดียวนั่นแหละแต่มีองค์ประกอบต่างๆเลนเดียวคือหมายถึงเลนที่ใหญ่หน่อย <c oughs> ออมีถ้าเราเปรียบเทียบกับถนนไฮเวย์อย่างนี้นะจากกรุงเทพขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยถนนจะต้องมีคุณสมบัติเรียบมีผิวเรียบมีเส้นการจราจรมีป้ายบอกทางมีสัญญาณไฟมีถนนทางเท้ามีแยกระหว่างรถที่มันเร็วกับรถที่มันช้า มีก่อกลางถนนไว้ป้องกันรถที่สวนมานี่คือองค์ประกอบทั่วๆไปของถนนที่ว่ามันจะดีแต่เส้นทางนี้เป็นทางเดียวนี่แหละที่จะไปแตเช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับอริยมรรคมีองค์แนั่นคือเป็นทางเดียวเป็นทางสายเอกปัปรุชาว่าเป็นเอกายโนมัคโคนั่นคือทางสายเอกทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเดียวเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นทางลัดแล้วนั่นคือถ้าคุณจะมาหาทางที่มันลัดไปกว่านี้นี่คือทางลัดแล้วทางตรงแล้วนไม่ใช่ทางอ้อม ทางลัทางตรงนี้มีองค์ประกอบแปดอย่างด้วยกันมีองค์ประกอบแปดอย่างด้วยกันลามาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบหมือนที่เราต้องท่องกันได้นะคุณโยมถิวสัมมาทิฏฐิสมาสังกปาค่ะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิอันนี้คือแปดอย่างในแต่ละอันพระพุทธเจ้าก็แยกแยะเอาไว้นะว่าสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นชอบ นีคือมองจากภาพรวมก่อนนะความเห็นชอบเห็นอะไรที่เรียกว่าเห็นชอบนั่นก็คือเห็นในความจริงที่ว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้คืออริยสัจสีข้อที่2คือความดํำริชอบคือคิดชอบนั่นคือความคิดเนี่ยมันจะต้องไไอะไรแบบนี้สมมติจิตของเราเนี่ยจิตของเราเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมจิตของเราเนี่ยเวลามันจะปรุงแต่งออกมามันก็จะปรุงแต่งนักษณะความคิดการพูดและการการะทำความคิดการพูดและการกระทา ถ้าเรามีทิฏฐิที่ถูกเนี่ยความคิดออกมามันก็จะคิดถูกแต่ไม้ันก็จึงเริ่มจากสมาทิทแต่ถ้าคุณมีสมา ท, ทิิปุ๊บไอความคิดเนะี่ยที่เป็นคําพูดต่างๆเป็นภาพต่างๆอยู่ในใจของเราเนี่ยนะสังกปะตรงนี้เขาเรียกว่าใช้คําว่าสังกปะเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นความคิดที่ถูกที่ดีแล้วการพูดล่ะปากคุณจะขยับแล้วก็จะพูดในสิ่งที่มันดีๆเป็นสัมมาวาจาการกระทํำล่ะการกระทําก็จะไม่ทําชั่วทําแต่สิ่งที่ดีก็เป็นสัมมาสังกปะ สัมมาสังกประสามอย่างนี้นะเนื่องจาะว่าจิตของเราจิตของเรานะมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ดีแล้วจึงมีการคิดการพูดและการกระทำที่ดีจิตของเรานี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีสัมมาสังกปะสัมมาวาจาแล้วก็สัมมา ก, กัมมันตะโอเคนี่คือคือสภาวะทั่ ว, วไปการที่เราจะทรงไว้ซึ่งสัมมาทิฏฐิในจิตของเราการที่เราจะทําให้จิตของเรามีความคิดที่ดีเป็นสัมมาสังกประให้จิตขอเรามีการพูดออกมาปรุงแต่งไปในทางวาจาที่มันดีเป็นสัมมาวาจา กาที่เราจะทําให้จิตของเราเนี่ยมันแสดงออกมาในทางกายเป็นสมมามกามันตะที่ดีเนี่ยเป็นสมากามันตะเนี่ยการกระทําตรงนั้นเนี่ยการทรงไว้ซึ่งเหล่านี้นั้นต้องมีสมาสติแน่นอนนะจิตนี้ต้องมีสมาสติแน่นอนนะแล้วก็ความเพียรที่เราจะละสิ่งที่มันไม่ดีนะบางทีบางครั้งมันมีไอ้ต้นไม้ที่มันยังไม่เป็นวัชพืชบ้างอะไรบ้างมากวนบ้างก็ต้องพยายามละมันออกไปแต่มันทิ้งไปในการพยายามตรงเนี้ยเป็นสัมมาวายมะนั่เป็นสัมมาวายมะจิตที่ มีองค์ประกอบเหล่านี้แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตลักษณะเนี้เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาสมาธิค่ะแล้วบางคนอาจจะถามว่าแล้วสมาอาชีวะไปไหนค่ะสมาอาชีวะก็คือการดําเนินชีพไปสัมมาอาชีวะนี่ไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคือถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นแม่บ้านแบบไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยก็จะมีสัมมาอาชีวะไม่ได้มันไม่ใช่องั้นแต่สมาอาชีวะนี่คือการหมายถึงการที่เราดําเนินชีวิตของเราไปในการดําเนินชีวิตไปแต่อาชีพเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าศิลปะ นะเช่นศิลปะแห่งการนับศิลปะแห่งการคำนวณคุณทําอาชีพเกษตรกรรมคุณเป็นอาชีพโครนกรรมคือเลี้ยงปศุสัตว์อย่างนี้เป็นต้นจะใช้คําเหล่านี้เขาเรียกว่าศิลปะแต่จะไม่ใช่คําว่าอาชีวะอาชีวะนี่คือหมายถึงการดําเนินชีวิตของเราไปในการดําเนินชีวิตนี้ไม่ใช่หมายถึงอาชีพนะเช่นแม่บ้านคุณมีการดําเนินชีวิตยังไงอคุณก็มีการดาเนินชีวิตในลักษณะที่มีมาร์กทั้ง8ดอยู่เงี้ยคุณดําเนินไปอย่างนี้ค่ะนี่คืออาชีวะ อฉันเคยได้ยินถ้อยคําที่เป็นระเบียบสําหรับความหมายของอาชีวะว่าเว้นการดําเนินชีวิตที่ผิดเสียใช่ใช่ไหมคะใชะ่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักถ้อยคําของพระพุทธองค์แล้วก็จะแปลได้ตรงเลยนะคะถกอดังถือดังเว้นการดําเนินชีวิตที่ผิดเสีย แ, แรกๆเนี่ยามาเนี่ยเป็นคือเราก็โง่งมาก่อนนะแต่ามาเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นอาชีพไง อดิฉันว่าท่านจะพูดความโง่ความฉลาดงั้ไม่ได้ค่ะเราถูกสอนมาอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> ในโรงเรียนนะค ะ, ะจําได้ว่าตอนสมัยท่านเรียนหลังดิฉันหลายปีเนี่ยมีวิชาศีลธรรมหรือเปล่าแต่ในยุคดิฉันเนี่ยจะมีวิชาศีลธรรมก็มจะมีการพูดถึงอริยสัจสีประกอบด้วยอะไรแล้วพอมาถึงมัธยปเนี่ยอาชีพชอบอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่องเงินท่านกับเด็กไว้ต่อข้อสอบเลยสำเนาอาชีวะคืออาชีพชอบใช่ใช่ เดีที่พอมาศึกษาในบทปัญญชนะตัวแม่บทของพระพรุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ได้เงยมุมกว้างขวางขึ้นนะอาชีพก็ใช่<ๆ>อยู่ก็เป็นศิล ป, ปะอย่างหนึ่งใช่ไหมก็จัดอยู่ในการดําเนินชีวิตทีนี้มีอีกตรงหนึ่งที่พระพรุทธเจ้าอธิบายถึงคําว่ามิจฉาอาชีวะ ค, ค, คือไอ้ที่ว่าการดําเนินไม่ชอบเนี่ยดำเนินเป็นยังไงนั่นก็คือการที่พูดหลอกลวงการพูดโกหกการพูดหวานล้อมให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบโดยลาบตรง น, นี้เป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่ชอบ ที่ไม่ดีนะเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้แม่บ้านเขาก็ทําทได้คนที่ไม่มีอาชีพอะไรอะ่ะคุณไม่ได้มีศิละปะอะไรใช่ไหมแต่คุณถ้าพูดหวานล้อมให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงล้อลาบด้วยลาบคาพูดโกโหกคำพูดหลอกลวงอันนี้แสดงว่าคุณมีมิจฉาอาชีวะการดําเนินชีพที่ไม่ถูกก็ลาพวกนี้เสียนั่นเองท่านคะ<ม>ดูเหมือนกับว่ามิจฉาอาชีวะเนี่ยจะหนักไปที่การพูดให้ให้บรรลุผลด้วยใช้เลเ่เกใช่ที่ไม่ถูกต้องอ่า เนั้นก็เท่ากับว่าเป็นเป็นเรื่องของการพูดเนี่ยสำคัญมากเลยนะอืมใช่ใชเพราะบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเอากขาทาการค้าน่ะหรือว่าการอยู่ในสังคมที่ต้องมีเงินใช้ก็จะต้องอาศัยการพูดโน้มน้าวใช่ไ้มคะด้วยวิธีการต่างๆโน้มน้าวแบบคุกคามอืมการการพูดเนี่ยคือมันก็จะเจาะจงลงไปที่สมาปาะจาใช่ไหมค่ะทันนี้การการดำเนินการพวกนี้ยอาจจะเป็นวางกับดักอาจจะเป็นแผนกลล่อลวงโดยที่คนอาจจะไม่ต้องพูดอะ่ะ ก็จะมีเช่นแม้ค้าขายของเนี่ยน ะ, ะเขาก็มีอศิลปะของเขามีศิลปะคือการข า, ขายของเขาเนี่ยนะก็ะอาจจะไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเขากโกงด้วยเคื่องครื่องช่างอย่างเงี้ย อ, อันนี้ก็เป็นมิจฉาอาชีวะการดําเนินที่มันไม่ถูกตรงตรงนี้นิดหนึง่งคุณยมเตียวที่พูดถึงว่ามิจฉาอาชีวะเนี่ยนะคือบางทีเรามีศิลปะเช่คนคุณเป็นหมอหมอเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วคุณมาหลอกขายยา สมมติ น, นะนนี้สมมติ น, นะค่ะอศิลปะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นมิจฉาอาชีวะได้เข้าใจนะคือศิลปะอาจจะดีอยู่อาชีพนั้นอาจจะดีอยู่แต่เป็นมิจฉาอาชีวะได้ออตัวนี้ก็อ่าได้รู้วิธีแล้วนะคะทีนี้อ่าฝนไม่ได้ตกลงมาเราต้องเอาฝนนี่พันน้ําฝนด้วยนะคะต้องมีเครื่องรองรับแล้วก็ผันมาให้มาให้ต้น ที่เป็นกุศลของเราเจริญเติบโตจะได้ออกผลเป็นรสหวานคือเอียงมาทางสัมมาทั้งหลายใช่ที่เป็นอริยามรรคค่ะนอนเรายังมีผัสสะเลยคุณหยงติว๋วมันไม่มีหรอที่ไม่มีฝนฝนเนี่ยไม่เคยหยุดเลยผัสสะนี่มาตลอดแน่นอนเลยค่ ะ, ะผัสสะมาตลอดเวลาภัสสะมากระทบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มีผัสสะมากเวลาภัสสะน้อยๆแล้วเอาแค่ว่าบางทีเรานั่งสมาธิเนี่ยนะแล้วจิตงงเป็นอาร ม, มันเดียวนี่ อันนี้ก็มีภาษาไะมีภาษาไม่ได้คิดอะไรเลยนะนิ่งอย่างนั้นนหะอันนั้นก็เป็นภาษานะเป็นภาษาไม้นะหรอคะับอ้าวก็เพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไปมีความพอใจมีความกำหนดโอ้ยสุกนาะสุกนาะสุกนาะสุกน้ะ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อย่างเงี้ยนะค่ะโอ้ยมันดีจริงๆดีจริงๆริงกำหนัดในสมาธินั้นกำหนัดในความเป็นอารมณ์เดียวนั้นอันนี้คือคุณเอาไปลดต้นไม่ดีนะเนี่ยไปรดต้นเสดานี่ค่ะเอาน้ำเนี่ไปรดต้นเสดาโอ อเพราะว่าเรากำหนัดแล้วไงเราพอใจ<ช>แล้วไงเราเคยคอาจจะเคยเห็นคนที่ไปปฏิบัติธรรมมากลับมาบ้านเอาทําไมร้ายยิ่งกว่าเดิมก็คืออารมณ์ยังขึ้นลงอยู่ก็เพราะว่าเขาเขากำหนัดในสิ่งที่เขาเป็นความสุขอย่างนี้น ะ, ะพอกำหนัดตึง้งเนี่ยแล้วกลับมาบ้านมันไม่ได้อมันไม่ได้อย่างที่หวงังมันก็เลยจะจีดขึ้นมาค่ะอันนี่คือแทนที่ว่าไปเราจะไปรดต้นดีใช่ไหมเอาน้ํามารดต้นดีกลับเอาน้ํามารดต้นที่มันไม่ดีเพราะว่าอันนี้คือเผลอสติไปแล้ว หรือ <ừ. S 2> ฉันเห็นในแง่มุมที่แยบคายมากแยบคา ย, ยที่นีแ้แปล ว, วาละเอียดนะคะคือเหมือนกับว่ า, าถ้าพระพุทโธไม่ได้จบแนกไว้อย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจก็คิดว่าที่เรานั่งสมาธิสบายๆเฉ ย, ยๆนะผัสสะไม่เกิดก็เป็นไปได้แต่พอฟังคำอธิบายแล้วโอ้โหเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วแล้วสมาธิของอของ ผู้ที่ฝึกดีแล้วในสมัยก่อนอย่างเงี้ย เ, เป็นสมาธิที่แบบมีอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้ท่านเหล่านั้นก็มีความคิดว่าสมาธินี่มันมันเที่ยงมันมั่นคงมันยืนยาวอยู่ตลอดเวลาก็มีเข้าใจผิดไปว่าอันเนี้ยคือนิพพานาก็มีความยึดถือในนิพพานนิพพานว่าเป็นของเราก็ไปเรื่องหนึ่งไปตรงนั้นค่ะซึ่งอันเนี้ยนิยามว่าการมีความรู้สําคัญมากนะคะคือรู้ในธรร ม, มะเนี่ยค่ะคือรู้รู้วิธีที่ถูกต้องมนุษย์นี่น่าสงสารนะคะ คือเหมือนกับว่าพอเกิดมาปุ๊บอยู่ในยุคนี้ก็ต้องสแสวงหาการศึกษาสแสวงหางานการ อ, อาชีพที่มั่นคงสแสวงหาสภาพแวดล้อมที่จะทำให้การประกอบอาชีพของเรานั้นมันง่ายยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็คือสังคมทีนี้ก็ชุลมุนชุลเกกันอยู่นั่นแหละอายุหกสิบแล้วพยังมี <c oughs> เพื่อนฝูงเยอะแยะย<ม>แนีนผังสับตลอดเวลา เดี๋ยเข้าใจว่าถ้าไม่ปลีกเนี่ยนะคะไม่ปลีกตัวเก็เลําบากเหมือนกันคุณค <นะ S 2> ุณเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้นะแต่มานึกถึงคํานี้เลยของศา ม, มาดีพรมศาส ม, มาดีพรมเนี่ยยกย่องพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นผู้ที่มีจักษุขึ้นสู่บนยอดเขาเห็นประชุมชนได้โดดรอบน้ำมายคขาว่าอย่างเราเคยเห็นหนู่นะที่มันอยู่ในเขาวงกดเนี่ยเราอาจจะเคยเล่นเกมเขาวงกดใช่ไหมหนูมันก็จะเดินไปทางนั้นซ้ายขวาแต่เรายือนอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนนึกออกไว้เขาวงกดอละนะ แล้วแล้วหนุม่มก็จะเลื้อยไปซ้ายขวาตามทางของมันเนี่ยเพื่อที่จะออกจากตรงนี้ไปถึงเนยเนยแข็งได้อย่างเงี้ยนะค่ะเนี่ยมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยที่คล้องอยู่เนี่ยมันเหมือนอย่างเงี้ยพยายามจะไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกําลังงมอยู่ในเขาวงกฎไม่รู้เลยจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนชง่องนเขาเห็นประชุมจนได้ร อ, รอบๆอย่างนี้ท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกข้อมูลว่าเฮ้ยให้ทา ง, งนั้นอย่าไปนะทางซ้ายนั้นอย่าไปไปทางขวาทางนี้ทางนี้ทางออกทางออกบอกอย่างงี้บอกจากยอดเขานนัะ อ่าคือเรากําลังงมงมอยู่เนี่ยอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางกลามแต่ให้มาทางลีกออกจากกามอย่าเาน้ําไปรดต้นสะดา่าเอามารดต้นประตูนี่เยค่ะสหัมสหมบดีบรพร ม, <ผ>มได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นเช่นนี้เหมือนบุคคลที่อยู่ในบนยอดเขานะคะ อ, อ, อะ่ท่านคะดิฉันเข้าใจว่าคนเราทุกวันไม่ทีลืมคิดอะคะ่ะเรามัวไปอหัว เรื่องนี้ต้องจัดการให้เสร็จเรื่องนั้นต้องจัดการให้เสร็จเรื่องนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ยิ่งคนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถที่จะจัดการโลกได้ก็จะชุลมุนกับเรื่องพวกนี้เยอะแต่ถ้าคิดให้ดีคือบางครั้งที่ฉันสับสนนะคะเว้าต่คิดแล้วมันเหมือนกับชีวิตมันมีจุดจบของมันในทุกๆชีวิตเลยต่อให้ ดำเนินชีวิตอย่างไรคิดว่าตัวเองเก่งแค่ไหนสุดท้ายจุดจบนะ่มันคล้ายๆกันไปหมดแล้วอาจจะไม่มีเวลาเลยชุลมุนโดยตลอดจนวาระสุดท้ายปุ๊บปั๊บเสียชีวิตไปเลยกับบางคนอาจจะคิดได้ก่อนว่าให้มันตายแน่ยังไงก็ทำเฉพาะในส่วนของเราให้ดีที่สุดหรือทำงานแค่เนี้ยทำเฉพาะตรงเนี้ยที่เหลือให้กับตัวเองอ ความคิดไหนถูกมากกว่ากันคนที่คนที่คิดได้ว่ามันเป็นหนังเรื่องเดิมที่ว่ามันก็จบไปทุกคนก็มีจุดจบของมันเนี่ยนะความความคิดตรงเนี้อันนี้คือคือถูกนะเพราะว่าคุณเห็นนิมิตจิตของผู้นั้นเนี่ยมีนิมิตอันตั้งมาแล้วอย่างดีอันนี้เป็นเป็นพุทธพจน์ที่พระประชเจ้าบอกว่าบุคคลที่มีการหลีกเร้นหรือว่าคอยมาสังเกตจากสิ่งภายนอกเนี่ยคือเราสังเกตคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นสังเกตคนนี้ก็เป็นอย่า ง, ง น, งง น, นางงี้ตัวเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยตรงเนี้คือแปลว่าคุณเกิดนิมมิตขึ้นนคคคืืือออเเล่่รงหาย ที่ตั้งไว้แล้วอย่างดีจากการที่ราาจกกเราหลีกออกใหลีกออกแล้วก็มาดูจากภายนอกตัวนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่เราเห็นและเห็นหนังเรื่องเดิมๆซ้ําๆเนี่ยมันจะมีความหน่ายจะมีความหน่ายแล้วเราจะเกิดมีความรู้ว่าเราก็ทําสิ่งที่ควรทําชะ้ก็คืงไปถึงข้อที่สอนที่คุณโยมติวพูดเมื่อสักครู่เนี่ยกันใช้ก็ทำที่ฉันทําได้อะไรที่ฉันทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรที่ทาได้นี่คืออะไรเกาะศีลสมาธิปัญญาอะไรที่ไม่ควรทําแล้วก็ไอ้ที่มันผิดศีล ที่เป็นมิจฉาสมาธิแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนี้เราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสจุดเนี่ย ก, ก็ถูกแล้วแหละเพียงว่าเราต้องแยกย้ายให้ออกว่าตรงไหนเป๊ๆะๆนะในข้อที่สองที่พูดถึงว่าสิ่งที่ควรทำนี่คือเรื่องของมาร์นั่นเองคือก็เข้าใจนะครว่าบางครั้งบางคนมีความจําเป็นแต่บางทีที่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับว่าอยากจะฝากเอาไว้ว่าให้ประกอบในการคิดในการดำเนินชีวิตด้วยใช่ใช่จบบุาภรณ์ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะพลาด โอกาสในชีวิตไปก็คงจะได้สาระพอสมควรทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเรามากราบนมัสการขอบพระคุณพรมหาภาัยบุญอภิปุญโลท่านพ่วงนดยการหลักสูตรลีกเรนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีด้วยกันนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณคะ่ะเจนบอลค่ะท่านฟังที่เคารพค่ารายการสัสนิษฐานนะคะเราสนทนาเนี่ยท่านก็พยายามที่จะสนทนาแล้วให้ท่านได้ไปใช้ในส่วนเรื่องการฝึกปฏิบัติเราให้ มีการฝึกปฏิบัติแต่ไม่ได้มากอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะไปทำต่อหรือไม่แต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆนะคะดิฉันคิดว่าการฝึกอย่างจริงจังปลีกเวลาไปเสียอย่างเช่นไปเข้าคอร์สเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะลองพิจารณาดูก็แล้วกันในชีวิตจริงถ้าปุบ ป, ปับ ป, ป, ปุบปับไม่เคยฝึกมาก่อนเลยมันไม่ง่ายต้องต้องฝึกฝนค่ะเอาไว้เรามาพบกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีที่ครอบครัวข่าว FM106 รรายการสันนิสนานาดิชันสันนิษฐานาพงวันนี้ลาการเปิดเพนเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ